บางทีก็จับไปกันเพลินเหมือนกันนะกันเห็นองคนู้นโสมควรจะองนู้นด้วยสมควรจะองนู้นอวยนี่ยังมีนะยังมีองค์ที่ท่านออกชื่อไว้แล้วนะยังไม่ได้ขึ้นอนะนี่นะแต่ท่านยังไม่ได้บอกเราเท่านั้นเองวันที่สี่วันที่ห้า ท, ที่แล้วเนี่ยกุมพานี่แหละหลวงพ่อก็จับ จากวันครบรอบลูกปู่เขียนก็เหมือนอาจารย์วิทยาอันแหละจับจนเพลินองค์นั้นก็มาอง์นั้นก็มาองนั้นก็มาองนั้นก็มาองนั้นก็มาเบ็ดเสร็จแปดกันแต่คนฟังก็ประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยสามร้อยนี่แล้วครับว่าเข า, เขาไม่กล้ากลับบ้าน เพราะเขาสมาทานสิ้นไปถือว่าบวชในขมัติเขาต้องถือสัจจะให้ได้ต้องถือสัจจะให้ได้เรามาคิดดูอีกทีก็น่าน่าสงสารพวกเราพวกเราอยากสร้างเนคขมัตบารมีเนคขมัตคือการออกบวชแค่แค่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็พยายามตั้งใจเสียสลับ บางคนนั่งตัวตรงตั้งแต่หัวข้ามไปจนสว่างเลยนะไม่มีไม่มีเวลานอกไปที่อื่นทีนี้เรามาคิดดูแปดกันเนี่แปดกันไม่ใช่จะอยู่แค่นี้ไม่ใช่จะสามสิบนาทีอาจารย์อย่างอาจารย์สุธรรมเนี่ยสามสิบแปดนาทีเนี่ยไม่ใช่จะห้าสิบนาทีเหมือนอย่างอาจารย์สมัยเมื่อกีนะ้ยังมากหลวงพ่ออินยังตั้งรถยังตั้งเที่ยวมองแปดนาทีหลวงพ่ออิน ที่สันเมตตาเรา น, น่ที่หลวงพ่ อ, อจัดเนี่ยกลายเป็นยาวทีฆะเลยไรทีคัะนิกายเลยยาวมันเลงกันยาวๆเลยเคยจัดไว้เพราะธรรมาทุกปีวันที่สี่วันที่ห้ากรุ๊ปพานขบวนรถไฟมันไหลขบวนเลยตกรางเพราะเวลามันหมดซะ ก, ก่อนองค์ที่จัดเอาไว้ไม่ได้เทศ ชัดเอาไว้มาในทีเวลามันหมดซะก่อนด้วยที่ทำเป็นประจำอยางนะตลอดทั้งคืนระยะเวลาตลอดทั้งคืนแป๊บเดียวแต่ข้อสำคัญในใจของผู้ฟังในสำคัญที่สุดนะดังที่ว่าเมื่อกี้นี่นแหละบอกว่าฟังอย่าว่าอย่าสักแต่ว่าฟังอย่าสักแต่ว่าฟั ง, ฟงแต่คนเราเนี่ยเราคิดเอาอะไรตามใจชอบไม่ได้ด เร า, เ า, า, กเาก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้อยากจะได้อยากจะฟังอยากอยากเข้าใจอยากจะรู้เรื่องแต่บางครั้งมันก็ไม่เข้าใจบางครั้งมันก็ไม่รู้เรื่องบางครั้งดึงมามันก็ไม่อยู่บาที ip, ่ก็เผลอแป๊บเดียวไม่รู้ท่าพูดอะไรแล้วคิดของเราไปจ่อยอยู่กับอะไรที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเพราะฉะนั้นสักแต่ว่าฝันมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าหากเราไม่สักแต่ว่าฝัน เราตั้งใส่ตั้งใจฟังด้วยความกำหนดจดจ่ออย่างแท้จริงเนี่ยมันจะเป็นกรอบจํากัดในใจของเราได้เลยเป็นกรอบจํากัดอยู่ในนั้นะมันเป็นสัจจะอย่างหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้การตั้งใจการตั้งใจฟังอไม่ใช่จะทําเฉพาะยุคเรายุคพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ตั้งคืนนะ้า ยุบพระบุติเจ้าท่านทรงพระชนอยู่เน่ยเทศทั้งคืนเทศตลอดคืนนะก็ฟังดูที่ปทุมยามมัชชิมยามปัตชิมยามยามสุดท้ายก็เหมือนอย่างที่ว่าพราหมณ์จุเลกสาดอกที่ว่าเริ่มใ ส, ส่ศรัทธาพราหมสองคนผัวเมียเป็นคนทุกข์ก็ตะเข็นใจเป็นคนทุกข์ยากอดจนว่างั้นเถิด เสื้อผ้าผ้าหม่มสองคนนี่มีหนึ่งผืนแต่พผ้าุ่ง ม, มีคนละตัวผ้าุ่วงมีคนละหนึ่งตัวสามีพระรามสามีก็มีนุ่งพระมัมีก็มีนุ่งแต่ผ้าหม่มผ้าห่มใช้รวมกันใครออกนอกบ้านก็นันห่มไป มีอยู่คืนหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมตลอดคืนพรามสามีหอมไอ้น่องมีคนละตัวกันแล้วพระหอมพื้นเดียวกันอะไะวันนั้นต้องหอมไปฟังเทศฟังเทศตั้งแต่หัวค่ำขึ้นมาเกิดความร่วมสายศรัทธาตั้งแต่ปฐมยาณนร่วมสายศรัทธาจะได้อะไรเป็นประจักพยา แทนความเลื่อมใสศรัทธาของเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรติดติดเนื้อติดตัวเลยเพราะเป็นคนทุกข์เป็นคนจนเนี่ยเห็นมีแต่ผ้าห่มพื้นเดียวเนี่แหละจะเอาผ้าห่มถวายพระพุทธเจ้าถวายกันเป็นกันเทศนั่นแหละถ้าเราถวายไปพริยาจะได้อะไรห่มแล้วเราก็จะได้อะไรห่มถ้าเราจะเอาผ้าห่มนี่มาถวายเวลา พรา ม, มณีออกจากบ้านก็แก้ได้อะไรหขออถวายยังไม่ได้ต้องเลยต่อสูนนี่คือการตัดสินใจด้วยเด็ดขาดเรื่องสิ่งที่มันยื้อย่างในใจของเราเนมีมันมีอ่ามันมีฟังไปฟังไปฟังไปยายามทำกลาเริ่มงใส่ศรัทธาขึ้นมาอีกอยากจะถวายอยากจะถวยยาถวยอ ย, ย, ยากเต็มจิตเต็มใจอยากจะถวายยังสละไม่ได้ เก็บไว้ฟังไปจนยามสุดท้ายฮะราตรีนะนะอยากยาวสุดท้ายฮะราตรีเราเลื่อมสายสัตย์ขึ้นมาอีกทีถวายเลยจะดิจำมีใช้ไม่มีใช้มีหมไม่มีหงไม่จงถวายได้เลยด้วยความเริ่อมสายสัทย์ถวายได้พอถวายได้เท่านั้นแหละโอ้ยชีตังเมชีตังเมชนะเลยชนะเลยเนี่ยทีนี้เราพูดถึงผลของการถวายอาลีสง์ อา น, นิสงส์ท่าพูดถึงอา น, นิสงส์ถ้าตั้งใจเด็ดขาดถวายได้ตั้งแต่ปฐมยามจะได้อา น, นิสงส์ถึงสิบหกเท่าอา น, นิสงส์ก็หมายถึงสิบหกเท่านี่คืออะไรเราก็ทราบไม่ได้ครับแต่เราพูดถึงความปริมาณมากที่เราควรจะได้สิบหกเท่าที่ถวายยังไม่ได้ถ้าถวายได้ได้ยามท่ำกลางอา น, นิสงส์ก็ไอ้สิบหกเท่า สิบหกส่วนนั่นมันก็จะลดไปจะลดไปสี่ส่วนเหลือแปดส่วนอันนี้สองจ็เหลือแค่แปดส่วนทีนี้ยามท่ามกลางตะถวายยังไม่ได้ไปถวายได้ยามสุดท้ายของราตรีอันนี้สองลอดลงเหลือแค่สี่ส่วนนี่เรามาตีค่าของหัวใจของเราการที่เราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วก็ถวายได้ด้วยความ ได้อย่างที่ร ilim, เราใจเรานึกเราคิดได้อันนี้เป็นเรื่องดี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดทําไมมันจึงถอยไม่ได้อะไรที่มันมาคอยสร้างเงื่อนไขอยู่กันข้างในหัวใจของเราก็ตันหากิเลสตันหาในหัวใจของเรามันสร้างเงื่อนไขอยู่ในหัวใจของเรากลัวนู้นกลัวนี่กลัวนี่กลัวนั้นกลัวโน่นอย่างกลัวไม่มีใช่เคยได้วางเทตลงตาไหมท่านพูดถึงศรัทธาตั้งมีศรัทธาตั้งมี สัทธาตังเมตเ ม, มันเป็นของที่เหนียวทันเท่เลยดึงดึงดึงดึงดึงเป็นหลักขาดมาตั๊บแค่นี้ดูแทบไม่รพอกประกาศลั่นกันว่าสัทาตังมตต้องดึงทําไมต้องดึงอะมันมีคอยรั้งอยู่ข้างในมันมีสิคอยรั้งอยู่ข้างในความเจริญชีวเหนียวเนีอย่าว่าแต่ขั้นสิน้นเลย ขั้นทานนี่ยเราก็ต้องต่อสู้กับอะไรล่ะกับตันหาในหัวใจของเราขั้นทานก็ต้องต่อสู้กับตันหาในหัวใจของเราต่อสู้กับความเจริหนีที่เหนียวในหัวใจของเรามันมองไม่เห็นผลเห็นอนันยงสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันคอยปิดหูปิดตาปิดสติปิดปัญญาเรานะมันมีมากมันสร้างเงื่อนไขอยู่ในนั้นแหละไม่เหมือนไม่เหมือนคนมีธรรม คนมีธรรมท่านดูไปดูปักทะลุดูปักทะ ล, ลุเราดูไม่ทะลุดูไม่ทะลุดอกแค่เราให้ทานแค่นี้ครับดึงกันไปเดึงกันมารั้งกันไปรั้งกันมารั้งกันไปนนกันมาเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าถ้าจะรีบให้ก็ต้องจะต้องรีบให้ <c oughs> อย่าให้มันยืดเยอะอย่ามันยืดยาวอันนี้สองมันมีปุ๊บปับ๊บสมมติเนยเราพูดถึงสมัยหลวงตาท่านเทศช่วยชาตินะ รับทองรับอะไรตัวไหนเวลาเนี่ยเอาไปเข้าพลังหวมเนี่ยบางคนถอดสร้อยข้อมือนะถอดเลยบางคนสร้อยคอถอดออกได้เลยนี่พวกนี้อนี้สองแรงท่านว่าอนสองแรง น, นี่สองแรงนี่เราเขามาเทียบได้กับที่ว่าปฐมยามเนี่ยถ้าถวายได้จะได้อันนี้ถึงสิบหกส่วนถ้ามีข้องเงื่อนไขยืด ยืดเยอะก็ไปกจะลดลงไปนะถวายได้ถ้าถวายได้ในยามท่ากลางจะได้แค่แปดส่วนอันนี้ถวายได้ในยามสุดท้ายได้นิสสัแค่สี่ส่วนเท่านั้นเองพรามนี่คือในสสังการให้ทา น, น, นมีนิสสงเดี๋ยวว่าต่อสู้แต่กับการตั้งใจรักษาสินยิ่งประ ม, มัดตั้งใจรักษาสินมันยิ่งชัดเจนชัดเจนกับการต่อสู้ต่อกนั่นแหละ ต่อสู้อะไรต่อสู้ yeah. ต่อกรกันกับกิเลสในหัวใจของเรากิเลสในหัวใจของเราน่ยมันสร้างความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาคนเราม่นมีความถือว่าเป็นตัวเป็นตนถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาความถือเนื้อถือตัวเป็นตัวเป็นตนมันโผล่ขึ้นมาความสําคัญมั่นหมายมันก็โผล่ขึ้นมา <ersch> ความเป็นตัวเป็นตนโผล่ขึ้นมาความเพื่อตัวเพื่อตนมันก็โผล่ขึ้นมาความเพื่อตัวเพื่อตนเพื่อเราเพื่อคนของเราเพื่อสามีของเราภรรยาของเราเพื่อหมู่คณะของเราไอ้ขึ้นชื่อว่าเพื่อตัวเพื่อตนมันจะโผล่ขึ้นมานะ่ยมันโผล่ขึ้นมา ว่าเป็นตัวเป็นตนมันผล่ขึ้นมาที่ใจของเราทีไรเมื่อไรนั่นแหะเปนเป็นเรื่องของตัณหาตัณหาแสกเข้ามาตัณหาก็คือพลังอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่ในใจของเราตัวนี้เป็นตัวร้ายกาเป็นตัวสําคัญที่สุดในใจของเราที่เราควรตั้งเป้าประเดิษฐ์และเล็งเข้าไปไม่ต่างอะไรกับเป็นคู่ฆ่าศัตรูเพราะฉะนั้นตัวฆ่าศัตรูตัวที่ร้ายกาที่สุดก็คือตัวนี้ ไม่ใช่อยู่นอกตัวเรามันอยู่ในตัวเราทำไมใจใจของเราจรึงมีศัตรูอยู่ในนั้นเรามาคิดดูต้นตอกําเนิดที่แ ท, ท้จริงก็คือคอะไรใจของเราของท่านน่ะมันสักดิ์ทว่าเป็นท่ารู้สักดิ์ทว่าเป็นท่ารู้แต่มันไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้นะไม่ใช่เราเคยบางเห็นเห็นคนเคยเห็นบางคนไปเขียนว่าจิตสักดิ์ทว่ารู้ดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้ เนี่ยเข้าใจไม่ถูกแล้วจิตเป็นธาตรู้จิตเป็นธาตรู้มันมารวมกันเหมือนอย่างที่เรามีกายกายธาตุไม่รู้แต่ว่ามันเป็นผลผลของจิตมันเป็นผลผลของใจจิตภาษาบาลีใจภาษาไทยเราจะดูตัวหนังสือเราจะเห็นเลยแหละจอสไอใจภาษาไทย อต่ครูใบยาท่านชอบอาณาเทศเปรียบเทียบเหมือนใจกลางใจกลางคาว่าใจใจที้เราพูดมาเพื่อตัดความสงสัยเรื่องเหล่านี้เราใช้คำว่าท่ารู้ท่ารู้คําว่าท่าคือสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกมีประจําอยู่ดั้งเดิมของโลกทั้งา่ารู้ทั้งท่าไม่รู้นะมีประจําอยู่ดั้งเดิมของโลกร่างกายของเรา พุทธเจ้าท่านชี้ไปที่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอันนี้ก็มีประจำอยู่ดั่งเดิมในโลกนอกกายของเราดินน้ําลมไฟในกายของเราเนี่ยเป็นดินน้ําลมไฟแต่หากมาเกาะกลุ่มกันได้เพื่อำนาจของกรรมกรรมมันไปกับใจกรรมมันไปกับใจด้วยเหตุที่ใจมันไปจับจองใจไปจับจองอย่างพวกเราไปจับจอง ธาตุดินน้ำลมไฟในท้องแม่ของรรบเราไปจับจองได้ตามบุญตามกรรมของเราเมื่อเราไปจับจองแล้วสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นสมบัติของร่ากายมีใจํากับดูแลอยู่ภาวะอันนี้ก็เลยกลายเป็นภาวะที่จ ะ, จะต้องมาตอบสนองทารู้ของเราเป็นภาวะของความเป็นมนุษย์ขึ้นมาก่อตัวตั้งแต่นู้นเป็นน้าใสๆเปลี่ยนมาเรื่อย เป็นน้ำแดงๆเป็นน้ำล้างเลือดเป็นน้ำเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้ออยู่ในท้องแม่เป็นพันจะสาขามีหัวมีลําตัวมีแขนมีขาอยู่เ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนแล้อดออกมานี่คืออํานาจของใจอํานาจของตัณหาตัณหาคือความอยากความนิร น, นความทะยอทะยาน อย่าลืมว่าร่างกายของเราเกิดจากตันหาจริงหรือเรามาทวน ล, ลองปดลอ ง, ลองทวนค่อยไปดูสิอย่างทาตุใสๆน้าําใสๆที่อยู่ในท้องแม่ที่ปฏิบัติในท้องแม่เกิดขึ้นจากการเจริญพันธ์ของพ่อของแม่จนน้ํานี้ไปปรากฏเป็นน้าําใสๆอยู่ในท้องแม่อันนี้ก็เกิดขึ้นจากความอยากในใจของพ่อของแม่เห็นไหมถ้าท่านไม่อยากท่านก็ไม่มีการเจริญพันธ์ สิ่งเหลนี้ก็ไปเกิดไม่ได้ไปปรากฏไม่ได้ถ้าใจของเราไม่มีความอยากเราก็ไม่ต้องไปสอบสแสวงหาเพราะฉะนั้นใจของท่านก็มีตัณหาใจของเรามีตัณหาอันนี้เราพูดถึงข้อเท็จจริงถึงที่ไปที่มาของพวกเราเพราะพวกเราไม่เคยได้ย้อนมากำหนดจดจบมาพินมาพิจรารณาเราก็เลยมีแตลองยุดลองยึดทั้งก้อนทั้งแท่งทั้งต้งงงงงงนอยู่นี่แหละ โอกาสที่เราจะมาพิจารณามาคลี่คลายให้เห็นให้เกิดประโยชน์ประโยชน์ในแง่ของกรรมฐานเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะรู้ที่ไปที่มาของ ก, กายของเราเราจะรู้ที่ไปที่มาของใจของเราอย่างความสุขความทุกข์ในใจของเราเพราะอะไรเพราะใจของเรามันมีความรู้ออกไปรู้ยิ่งมาเมาอบัติเป็นมนุษย์นี่ออกไปรู้ทั้งตาทาั้งหูทั้งจมูก มันเป็นธรรมชาติที่มันไปรับรู้รับสัมผัสอยูแล้วมันไม่ใช่สัต์แต่ว่ารู้อาศัยความอยากนำหน้านี่แหละอาศัยความอยากนำหน้าสิ่งที่ดีมันก็ยึดสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผลักสิ่งที่ดีก็ยึดเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีมันก็ผลักออกไปทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันหากเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยเรามาดูว่าที่เราเรียกว่ากิเลสกิเลส มันเป็นสภาพที่ทําให้ใจเราเศร้าหมอง้าเรียกว่ากิเลสเช่อย่างความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรก็มันก็สะสมตัวของมันหมาอย่างนี้แหละสังสมตัวของตัวหมดของมันมาเองไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เราความโลภความโกรธความหลงในใจของเราไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เราและผู้รู้ของเราก็ไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เรา มันหาพัฒนามาตามรูปแบบของธรรมชาติของมันมันเป็นขึ้นมาได้ยังไงเราไม่ต้องสงสัยเราดูแต่ ว, ว่าเราอุบัติในท้องแม่เนี่ยท่านว่าน้า rocky, นําใสๆน้ําใสๆแล้วมันไปก่อตัวขึ้นมาได้ยังไงนะเป็นเลึอยเงี้ยมันเปลี่ยนขึ้นมาได้ยังไงเป็น เ, น, เนื้อเงี้ยมันเปลี่ยนขึ้นมาได้ยังไงเป็นกระดูกแข็งๆอยงเงี้ยมันเปลี่ยนตัวขึ้นมาได้ยังไงมันเกิดขึ้นมาจากอะไร เนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาได้ยงไดในเมื่อดั้งเดิมแต่แท้ไม่มีอะไรแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปประกอบการเจริญพันธุ์แล้วมันไปอยบัติในท้องแม่แต่ก็เป็นไปตามจังหวะตามระยะตามการตามเวลาตามบุญอีกต่างหากถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะเกิดไม่ได้มันมีเหตุมีปัจจัยประยุก์เหมาะ จนเป็นเหตุให้สิ่งเหล่านี้มีได้เปลี่ยนได้อย่างพัฒนารู้ทำด้วยอะไรเราคิดแบบภาษามองๆของเราเอ้ารู้ของเราเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อุบัติมาได้ยังไงทำด้วยอะไรเนะี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วมีมาแล้วเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราไม่มีผู้รู้ไม่มีทารู้เนี่ยเราก็ไม่ต่างอะไรกับวัตถุที่อยู่รอบข้างตัวเรา แต่ด้วยเหตุที่เรามีธาตุรู้อมันก็รู้รู้อยู่ในตัวของมันเองมาเกี่ยวข้องกับวัตถุอย่างเนี้ยมาอาศัยหน้ากายของเราพราเรารู้รู้อยู่กับตัวรู้ทั้งรู้นี่แหละบางทีเราไม่เคยย้อนมาดูไม่เคยย้อนมาพิจารณาเลยเนี่ยเราเลยไม่รู้ได้ซ้าไปว่าบางคนเนี่ยึดอย่างเหนียวแน่นมั่นคงว่าเราเราเราเราเป็นก้อนเดียวเป็นแท่งเดียวอยู่ในนั้นแหละ เพราะฉะนั้นถ้าหากใครสนใจเรื่องภาวนาทําให้ใจได้รับควาสมสงบเราจะเริ่มเข้าใจเรื่องธาตุรู้กับธาตุไม่ถูคือเรื่องกายกับเรื่องใจนี่ในเมื่อเราอุบัติขึ้นมาแล้วเรา พ, พูดตามสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเป็นมาแล้วเราคงจะไปย้อนหลังถามไปอย่างนั้นกับมันหักเป็นธรรมชาติมันอุบัติมาแล้วและสิ่งานี้ไม่หมดไปจากโลกนะ ถ้ารู้มันมีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกมันไม่ใช่ของใหม่ที่ไหนมาเกิดเป็นของเก่ามีประจำอยู่ดั้งเดิมในโลกดินน้ำลมไฟก็เป็นของเก่ามีประจำอยู่ดั่งเดิมในโลกสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกท้านเรียกว่าธาตุธาตุธาตุตกธาตุกนี่แหละาบะรีสิ่งที่เป็นมูลเดิมของโลกมีมาดั้งเดิมอยู่ในโลกเนี่ยเป็นารู้ แต่ว่าถ้ารู้เราเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์เวลากระดุกกระดิกพลิกแปลงเป็นเหตุเกิดความโลภเพราะอะไรออกไปรู้ไปเห็นสิ่งที่นิยมนวลไปสัมผัสขึ้นมาปั๊บมีความสุขยึดเข้ามายึดขมายึดเข้าม า, มาเวลาเราไปสัมผัสปั๊บไม่มีความสุขเช่นอย่างเราไปสัมผัสความรอ้อนร้อนเกินไปไปสัมผัสหนาวเกินไป เขเรียกว่าไปสัมผัสทุกพอไปสัมผัสทุกไม่ใช่จะผลักออกผลักออกผลักออกธรรมชาติใจของเรามันจะเป็นอยู่อย่างนี้เวลาไปสัมผัสปั๊บมันมีความสุขเช่นอย่างรูปบางอย่างเราตาเราไปสัมผัสปั๊บเอ๊ะกิรู้สึกมีความสุขหูเสียงเนี่ยเราไปสัมผัสปั๊บรู้สึกมีความสุขขึ้นมาในเมื่อไปสัมผัสแล้วมีความสุขก็ยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามามันก็ไปเป็นที่มาของความโลภในเมื่อมี เปนสิ่งที่ต้องการแล้ก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาในเมื่อไม่ต้องการแล้วก็ผลักออกไปผลักออกไปตามหลักแล้วท่านบอกว่ามันไม่ใช่หลักความจริงมันไม่ใช่ใดใช้สติใช้ปัญญาเข้าไปรู้ตามหลักความเป็นจริงเพราะฉะนั้นท่านจึงพูดสุกลงได้ว่าทั้งโลภทั้งโกรธเป็นด้วยอำนาจของความลุ่มหลง บางทีก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาโดยที่ไม่ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นขุนหรือเป็นโทษทีนี้ร้อยทั้งร้อยตามหลังพระพุทธเจ้าท่านสอนที่เรายึดเข้ามายึดเข้ามาเป็นโทษทั้งนั้นแหละเป็นโทษทั้งนั้นยึดเข้ามายึดเข้ามาเป็นโทษทั้งนั้นเรามาดูผลของการปฏิบัติทั้งกายทั้งเวทนาทั้งกิจทั้งธรรมจึงเป็นอารมณ์ของมหาสติปัฏฐานเนี่ยหรือขันธ์ทั้งห้าเนี่ยจะเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณที่เรายึดเข้ามา <Yeah. S 2> ยึดเข้ามาเนะี่ยเราไม่ได้สัมพันธ์มั่นหมายว่ามันจะมีทุกข์มีโทษอะไรตามมาเห็นว่าแต่เป็นเรื่องที่ว่าชอบใจแล้วก็ยึดเข้ามายึดเข้ามาอันนี้เราก็เอามาดูในอุปมาที่เราเป็นอยู่ด้วยเราทุกของเราทุกวันนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาแล้วสิ่งที่เรายึดเข้ามาเนะี่ยมันเป็นพิษเป็นภยัยมีพิษมีภัยตามมาทั้งนั้นธรรมะ ขั้นระดับปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลอย่างแท้จริงนั้นแม้แต่ผลธรรมที่ปรากฏขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเรายึดขึ้นมาปั๊บเนี่ยเป็นกิเลสทันทีเป็นกิเลสขึ้นมาทันทีเช่ยัเราตั้งใจภาวนาไปวัาจิตสงบเงี้ยจิตสว่างยึดยึดความสงบยึดความสว่างถ้าหากมีการยึดขึ้นมาทีไรเมื่อไร ความเป็นตัวเป็นตนมันก็โผล่ขึ้นมามันก็คือฤทธิเดชของตัณหานั่นนี่ตัณหาก็คือความอยากความอยากในใจของเราเนี่ยเราจะพูดยังไงมันถึงจะยุติแล้วก็นิ่งอยู่ได้เราเราพูดได้ยามกันเพราะจิตของเราน่ยมันไม่นิ่งมันไม่อยู่กับที่มันจะถูกขับเคลื่อนตัวมันเองไปเรื่อยขับเคลื่อนไปเรื่อยขับเคลื่อนไปเรื่อยที่จะเรียกว่าดิ้นรนทะเยอทะยาดิ้นรนทะเยอทะยา ความนีรธีโยยาเนี้เราจะทํำยังไงได้พุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เราเนี่ยย้อนมาดูย้อนมากำหนดจุดจ่อย้อนมาพิจารณาย้อนมาพิจารณาจิตของเราเนี่แหละย้อนมาดูจิตผู้รู้ของเราเนี่ยย้อนมาพิจารณาผู้รู้ย้อนได้นะในขณะที่เรานั่งฟังเนี่ยเราย้อนมาดูได้ย้อนมาดูจิตของเราได้ย้อนได้หรือไม่ได้เราลองย้อนนําดู โดยเหตุที่เราไม่เคยย้อนเราจะไม่รู้เราจะไม่เข้าใจเลยจิตของเราเ่ยยึดผิดยึดถูกทําไมจึงยึด<ม>เห็นแล้วก็ยึดเห็นแล้วก็ยึดผลักออกไปท่านก็ถือว่ายึดดึงเข้ามาท่านก็ถือว่ายึดเพราะฉะนั้นดึงเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามาเป็นเหตุให้เกิดความโลภผลักออกไปผลักออกไปเป็นเหตุให้เกิดความโกรธเนื่องจากเราประจักษความการพิจารณา ยึดเข้ามาก็ด้วยพลังของความรุ่มหลงผลักออกไปก็ด้วยอํานาจของความหลงเข้าว่าหลงไม่รู้จริงไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าสิ่งเรานั้นให้คุณหรือให้โทษไม่รู้ไม่เข้าใจก็ผลักออกไปผลักออกไปยึงดึงเข้ามาดึงเข้ามาแง่ของการปฏิบัติเพื่อความเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเพื่อทําลายความหลงนี่เองตัณหาเนี่ยเราต้องจับให้มันจุดให้มันดีบมันดิ่ n เช่นอย่างท่านให้พวกเราตั้งใจรักษาศิลเพราะอํานาจของตังหามันทะลักออกมาที่กายเห็น ไ, ไหมมันทะลักออกมาที่วายถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยขั้นศินเป็นบัญญัตินะสินเนี่ยศินถึงแม้ว่าจะเป็นบัญญัติก็ตามแต่ก็มีธรรมอยู่ในนั้นไม่เหมือนธรรมธรรมะนี่ผู้ที่เจ้าท่านทรงพูดไว้ตามภาวะความมีความเป็นของมันแต่สิล น, นี่เป็นบัญญัติ แต่เป็นบัญญัติที่มีสัจจะสัจธรรมคือมีธรรมอยู่ในนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราผิดศีลปา้าผิดศีลเราขาดนอกจากสินค้าดแล้วเรามีเวรมีภัยมีบาคมีกรรมนะเรื่องเวรเรื่องภัยเรื่องบาเรื่องกรรมก็คือเรื่องที่กรรมจะให้ผลตอบโต้กลับมาจะให้ผลตอบโต้กลับมาเช่นอย่างเราฆ่าฆ่าเขาเขาก็จะต้องฆ่าเราลักของเขาเขาจะต้องรักของเราผิดลูกผิด เมียผิดผัวเขาเขาก็จะต้องผิดลูกผิดผัวผิดเมียเราเนี่ย <Yeah. S 1> เราพูดโกหกเขาเพื่อประโยชน์อย่างดอย่างหนึ่งของเราก็ตามเดี๋ยวมันก็จะมีโทษตามมายิ่งไปดื่มสุราไม่ไรกินน้ําดองของเมาเนี่ยอันนี้ทําลายตัวเองโดยตรงเลยเพราะไปทําลายสติสติเป็นตัวปลุกให้ผู้รู้ของเราตื่นรู้ซึ่งเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมประจำมา ก, กับจิตของเรา สตินี่นะอย่างเมื่อกี้ถ้าอาจารย์ส ม, ม, ยยมัยท่านก็พยายามมาแนะนําพยายามมาที่ใให้เราเข้าใจข้ามาสติเราพยายามย้อนมาดูที่จิตของเราเราพยายามปลุกสกติตตั้งส ต, ต, ติตื่นรู้รูยู่เนี่ยใ น, นตัวส ต, ติจิตของเราคือผู้รู้คือผู้รู้ตราบใดที่ผู้รู้ตัวนี้ตั้งเนือ้อตั้งตัวผู้รู้ของตัวเองก็จะชัดขึ้นมาชัดขึ้นมานั่นแหละคือการตั้งส ต, ติ แต่ถ้าเราไม่ตั้งสติมันเลื่อนลอยมันจางๆหยุดๆจางๆตามภาษาของการขับเคลื่อนของผู้รู้เราบอกวป่ปแหวมๆเดี๋ยวก็จางไปแล้วปั๊หายไปแล้วเพราะฉะนั้นอารมณ์ภายในใจของเราจะเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนตามภาวะของอันนี้แหละเปลี่ยนตามภาวะของขนาดของใจของเราคือสติของเราเนี่ยมันก็จะไม่อยู่กับที่ถ้าเราไม่พยายามตั้ง พเราพยายามปลุกยินของเราตื่นรูกโรขึ้นมาถ้าเราไม่ประคองไม่ต่อเนื่องยังมาจาไยังไ ป, ไปวิธีระงับดับที่ไม่ให้ตัญหามันมันแสดงออกมาที่กายของเราท่านจึงให้เรารักษาศีลพอ ร, รักษาศีลภับประไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่รับพิกษกิ น, นกยาเป็นปลายเห ต, นะตเหุนะต้นเหตุมันดินด้นได้อยู่ที่ใจมันเป็นปลายเหตุอ่า รับความผิดดิ้นที่มันจะแสดงออกมาทางวาจาคือกาพูดตัญหามันนึกมันคิดอยู่ในใจนะ่ะนื้อคิดเต็มที่ถึงขีดถึงขั้นมันทะลักออกมาที่กายมาทํากายเอากายมาสร้างกายเป็นกายอย่างเก่าเนื้อคิดเต็มที่อยากพูดทะลักออกมาทางวาจามาพูดนึกคิดอยู่ในใจอย่างเดียวไม่ผิดศีลเหมือนอย่างเราวันนี้เราถือศีลแปดเนื้อคิดอยู่ในใจนึกคิดเรื่องราคาตัญหาเรื่องอะไรตัว อ, อะไรก็ตามแต่ ไม่ผิดสินเพราะเรานึกคิดอยู่ใน ใ, นใจแต่ถ้าเราเออกกายไปสนองปั๊บผิดสินล้เอาวัยจาไปสนองปั๊บเลยผิดสินแล้ ว, า ว, า น, น, น, ลวนึกคิดอยู่ในใจท่านว่าสินไม่ขาดสินไม่ขาดนี่คือการดีดดิ้นของตัณหาพริเจ้าท่านให้รักษากายกรรมของเราให้บริสุทธิ์เพื่อระงับสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาที่มิถลออมาที่กายที่วาจาที่ใจ พอเราตั้งใจรักษาศีลศีลทุกข้อจะมีลักษณะอย่างนี้เกือบทั้งนั้นเลยจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสิบของสมเณรศีลสองยิเจ็ดของพระก็เช่นเดียวกันนื้คิดอยู่ในใจศีลไม่ขาดถลักออกมาที่กายเอากายไปประกอบเข้าวศีลขาดเอาวาจชาไปประกอบเข้าวศีลขาดคือเหมือนอย่างเราพวกเราหิวหิวอาหารนี่แหละสมถทานศีลแปดหิวอาหารเนี่ยอยารับทานอาหาร นึกคิดเท่าไรสินเราก็ไม่ขาดแต่ถ้าไปเสนอปั๊บขาดสินขาดทันทีแสกจักก็พลอยขาดไปด้วยที่เราตั้งใจสมาทานท่านจึงจเอาสินมาสมบงบพระงับดับปลายเหตุของตัญหาแค่นี้สามารถทําให้เรากายกรรมของเราบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ขั้นสินวาจาคือวิจีกรรมของเราบริสุทธิ์ได้บริสุทธิ์ขั้นสิน วิธีจะจัดการละเอียดลึกเข้าไปในตัวข้างในของมันน่ะต้องไปจัดการที่ใจเพราะอย่างพระพุทธเจ้าท่านยืนสอนให้ให้เรารักษาศินแล้วก็ภาวนาท่าศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาภาวนาแยกเป็นสองเป็นสมาธิกับปัญญาเราต้องการสง บ, บระงับดับตัณหาในหัวใจของเราเราต้องการให้ใจของเราเนี่หยุยดดีมหยุดดิ้น ก็ให้เราตั้งสติขึ้นมากำหนดจดจ่อเราขึ้นมาแลตัวดีตัวดิวด้นตัวนี้แหละมันจะรู้รรเราเริวมรู้สึกเรือ่องรู้สึกตัวนี่เราพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการภาวนาทุกทุก ป, ประเด็นทุก ป, ประโยชน์เลยนะั้นที่เราพูดถ้าเราพยายามจับพยายามจับไปได้พระเจ้าท่านจึงให้ปลุกสติของเราภายในจิตของเราให้ตื่นรู้อยู่ทุกขณะทุกขณะเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำงานเราจะหยุดได้ตัณหาในหัวใจของเรา ให้หยุดจะกดระยุปัตั์เลยตักไม่ได้เพราะตัณหาในใจของเรามันรุนแรงมันรุนแรงเพราะอะไรเพราะเราสังสมมากี่กับกันกี่ปุริชาไม่ใช่เราเพิ่งเกิดนะถ้าเราระลึกได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าย้อนหลังไปไม่มีจุดจบไม่มีส่จดดูที่พระองค์บรรลุธรรมคุพเพนิวาสานุสติญาณดยลึกย้อนหลังไปกี่กับกี่กลับกี่กั บ, ก, ก, บกี่สังวัตกับกี่วิวัตกับกี่สังวัตวตะวิวัตกับ มนุษย์ระยะเวลาน้นนานสักเท่าไหรไม่ใช่เราเพิ่งเกิดอัตภาพสองอัตภาพเนี่ยนะสมมุติว่าบางพบบางชาติเราไปเกิดเป็นสัตว์เราไม่มีโอกาสาได้ศึกษาธรรมเลยสิ่งเความอยากดึงเข้ามาพลความอยากผลักออกไปคือความโลภ ก, กับความโกรธทําไมมันจะไม่มีแต่ความสะสมแต่สิ่งเหล่านี้ประจำวันถึงแม้ว่าเราจะมาเป็นมนุษย์แล้วก็ตามเราไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้ฝึกฝนอบรมไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เอาสิ่งเล่านี้มาถือเป็นเรื่อง เป็นข้อประพฤติเป็นข้อปฏิบัติที่ท่านพูดถือว่ากิเลสกิเลสมาแสดงตัวออกมากรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากวันทั้งวันก็มีเจ็บผลได้ได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดผลดผลของมันมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งหมดวันทั้งวันเนี่ยนะสมมุติเราไม่ได้พุโทโธสักคำเลยนะวันทั้งวันมันคิดตามภาษีภาษาของมันกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบาก ทำนี่จะต้องมีเจตจํานงเต็มร้อยปลุกให้ตื่นรู้รู้ขึ้นมาในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นท่านยังเอาบทบริกรรมมากํากับเพื่อให้ตัณหามันจุดให้มันสงบให้มันเฉลยอดตัณหาอาวิชชาตัณหากิเลสอุปาทานอันเดียวกันมันเกิดขึ้นจากพลังของตัวยึดภายในใจของเราเนี่ มันมีอัตราดูต้นผลขึ้นมาก่อนนั่นแหละหามาเกิดมาตามหลักธรรมชาติของมันพวกเราปนเปื้อนกับสิ่งไม่บริสุทธิ์มาด้วยกันทุกคนหาเรามาแก้ได้ระยะหลังตอนหลังตามแก้ได้ในภายหลังถ้าพวเราบริสุทธิ์มาแล้วตามหลักที่พระพุทธเจ้าท่าสอนจะไม่มาเกิดเราไม่ต้องมาเกิดถ้าเราบริสุทธิ์มาแล้วบริสุทธิ์จากกิเลสโดยเหตุที่เราไม่บริสุทธิ์มาจากดั่งเดิม เราไม่รู้ว่าความรู้ของเรามันพัฒนามาจากอะไรเนิ่นมานสักเท่าไหรมันก็พัฒนาอยู่อย่างนี้เพราวะของมันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นควา ม, มรอดมันจึงรุนแรงความโกรธมันจึงรุนแรงตกปลึกเป็นตันหาเป็นอาสวัรเป็นน้ำหมักน้ำดองที่สมบัติหมักดองหมักดองเราอยู่ในภพอยู่ในชาติไม่รู้จะจบไม่รู้จบสิน้นเรามาดูกําเนิดของสัตว์ที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปมากมายบานกําเนิด มีแต่รูปไม่มีนามเห็นไมบางกำเนิดมีแต่นามไม่มีรปูปบางกำเนิดมีทั้งรปูปทั้งนามเช่นอย่างพวกเราเป็นมนุษย์เนี่ยมีทั้งรปูปมีทั้งนามรูปก็คือร่างกายที่เรามองเห็นเนี่ยนามก็คือใจอยู่ข้างในดูไม่เห็นแต่เรารู้สัมผัสด้วยตัวของตัวเราเองได้รู้สึกได้เป็นตัวของตัวเองได้ความรู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวตวนเวลามันผลขึ้นมาในในใจของเราเราย้อนมาดูได้ ถ้าเราไม่ตั้งสติกำหนดจดจ่อร่เข้ามาแล้วเราจะไม่รู้สิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีหัวใจของเราเราจะรู้ไม่ได้ถ้าเราไม่เอาวิชาสมถะวิปัสสนาของพระพุทธเจ้ามาใช้ไม่มีโอกาสตามรู้ตามเห็นเข้าใจแล้วชักได้ร้างได้กําจัดได้ท่านจึงให้ปลุกจิตของตัวเองให้ตื่นรู้ด้วยบทของสมถะสมถะก็ตามวิปัสสนาก็ตามท่านก็แยกออกมาพูดเท่านั้นเอง ขอให้เราพยายามปลุกสติของเราให้ตื่นรู้ขึ้นมาให้เป็นเรื่องของธรรมถ้าเป็นเรื่องของธรรมเนี่ยเราจะต้องจับมากําหนดจดจอ่อมีเจดจำลองเต็มร้อยตื่นรู้โรคปลุกด้วยอดด้วยทนด้วยเรียบด้วยแรงท่านยังให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนี่มันไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสมันเป็นอารมณ์ของธรรมท่านไม่ให้บริกรรม รัรัรัรัใครใครใครใครราคาคำหนักราคาคำท่านไม่ภาวนาอย่างนี้เพราะไอ้นี่มันเป็นชื่อของกิเลสมันเป็นชื่อของอารมณ์ที่เลวร้ายท่านให้บริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธเหมือนอย่างที่พวกเราทำตราบใดที่จิตของเรายังไม่สงบตราบนั้นก็ถือว่าเราเดินตามระเบียบตามแบบแผนที่เรียกว่าแบบอย่างแบบอย่างพุทโธพุทโธนี่คือแบบอย่าง เป็นแบบอย่างที่รูปาย uh. จากทั้งสอนท่านจับใส่มือให้กับพวกเราสัมมาหังสัมมาหังพรองน้อยยุกน้อยอันเดียวกันทั้งหมดเราลองทําใจของเราให้สงบไปแล้วเนี่ยเราจะดําริภพพุโทโธพุทโทรหรือจะว่าสัมมาหังหรือจะว่าธรรมโมตโมหรือจะว่าสังโฆสังโฆมันอันเดียวกันนะหรือจะว่าพรองหน้อยยุกนอมันก็อันเดียวกันมันเป็นอารมณ์ที่จิตของเราเข้าไปรู้เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อที่จะโภคสติ ให้มันยืดยาไปและประคองการประคองก็คือประคองให้มันอยู่ก <smooth> ับอารมณ์ใจของเราก็แปลกนะตราบใดที่อารมณ์ี่เราตัางตั้งเด่นร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ขอ่เร่ส่ม่่่่่่่่่่ร่่่่่่อ่่่่อ่่่่่่่่่่่่่เ่่่่ร่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่่ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าอารมณ์ในใจของเราอารมณ์ใหม่มันจะทับอารมณ์เก่าเสมอเพราะอารมณ์ใหม่เ ป, เป็นอารมณ์ใหม่ปั๊บอารมณ์ใหม่จะต้องรุนแรงกว่าอารมณ์เก่าไม่งั้นมันทับไม่ได้ถ้าเราตั้งสติรู้ขึ้นมาเนี่ยเต็มร้อยมันแทรกเข้ามาไม่ได้เลยนะแทรกเข้ามาไม่ได้แค่จิตของเราอยู่กับคําว่าพุโทโธพุธโทโธตั้งความเป็นวิตรวิจารณ์ขึ้นมาเนี่ย ตัณหามันก็แทรกเข้ามาในใจของเราไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเจริญจิตของเราได้รับความสงบมันก็เป็นการหยุดตัณหาได้มันยังไม่ดับแต่หยุดมันได้เราพิจารณาด้วยปัญญาหมายความาเอาไปเห็นเหตุเห็นต้นเห็นต่อของมันมันก็ระงับได้ทั้งสามถานชะลอมันได้หยุดหยุดมันได้ทั้งวิปัสนาตัดรากตัดเงาตัดโคนมันได้ ถ้ไม่ถึงขั้นนี้แล้วไม่มีโอกาสที่จเจ้าอะไรัมชาชามาล้างมนได้เรื่องของตระหนักรู้ใจของเราท่านจึงให้เรามีตั้งเจตนาอารมณ์ที่เราตั้งขึ้นมานี่ก็กับที่เราประคองพุทธจากพุทธไปหาโทธกาบพมประคองโธไปหาพุทธกับพยามประคองทําความรู้สึกอย่างนี้ตลอดทําอารมณ์ให้เป็นอารมณ์อธิบดีให้มันใหญ่เท่ากันทั้งหมดมางั้นเถะ มไม่มันตกไปจากความรู้สึกในในใจของเราถึงแม้ว่าจะเป็นวิตกวิจารณ์คำว่าวิตกก็คือดําริพุโธพุทโธพุทโพุทโธวิจารณแปลว่าประคองดำริพุโธขึ้นมาแล้วประคองยืดเข้าไปไม่ให้มันจางให้มันใหญ่อยู่เท่าเดิมพอเราขาดการคประครองปั๊บมันชักจา ง, จงมันชักปาบางมันชักหลวมตัวแล้วเดี๋ยวอารมณ์ที่มันรุนแรงกว่ามันทับแล้วหายไปแล้ว เราจะสังเกตเห็นได้ว่าพุทโธเราหายเพราะอะไรนี่แหละนี่แหละที่มาของพุทโธหายลองทําไปสิลองจําจืดจางปั๊บอ๊อพุทโธเราหายไปแล้วแล้วมันถูกอารมณ์ใหม่ที่มันใหญ่กว่ามันมันมทับถมแล้วมันหายไปแล้วบางทีอารมณ์รุนแรงที่มันตกค้างอยู่ในหัวใจของเรามันมาแทรกมันมาทับนี่พุทโธหายไปแล้วแต่เราทําอยู่บ่อยครั้งหนึ่งเมืองมันสะสมตัวมันเองกลายตกผึกเป็นวิบัก เป็นวิบากกรรมเพราะอารมณ์ของธรรมถ้าเราพยายามตั้งให้มีแต่อารมณ์ของธรรมตกผลึกเป็นวิบากกรรมมีผลรายหรือเป็นเรื่องของธรรมแต่ถ้าหากเราให้บรรณบรีเรื่องกิเลสบรรณบเรื่องธรรมปนกันไปก็คือเหมือนกับติดขาดติดขาดติดขาดเช่นอย่างเส้นเส้นปรับบนถนนตรงที่เขาทาเป็นไข่ปลานะติดขาดติดขาดติดขาด ว, วิธีที่จะให้เราเบาหนาจิตของเราสงบ ถ้าแทนเราทําให้ยาวพื้นเหมือนเหมือนเขาสีดเส้นขอบถนนน่ะติดกันพื้นเส้นขอบถนนจราจรน่ะอันนี้ยกมาให้เป็นอุปมาว่าเราควรจะทํายังไงตันหามันถึงจะแซกเข้ามาไม่ได้ถ้าเราทําหย่อนยานมันก็ติดขัดติดขัดสติมันขึ้นบ้างมันลดบ้างมันขึ้นบ้างมันลดบ้างมันไม่ตั้งรอเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งใจเต็มร้อยที่กูบอกจะทำว่ามันหนักมันหนักเพราะตรงนี้เลย เราไม่ต้องไปไปแบกไปหามันหนักเพราะเราประคับประคองอันนี่เนี่หนักจริงๆริงน้องตาท่านหนักงานการทางเราเคยทําเท่าไหร่แบกหามเท่าไหร่ภาวนาห น, นักยิ่งกว่าเพราะอะไรมันต้องประคองไม่ให้เพลอทุกขณะจิตอย่างนี้แหละไม่อางนั้นจิตขอเราสงบไม่ได้ครูบาอาจารย์บางองค์ท่านมาพูดความสงบปุ๊บพักลงถึงที่สงบปุ๊บปักลงถึงที่ ท่านเอาผลมาเล่าให้เราฟังตอนทําทุกอย่างลําบากถ้าท่านเล่าให้เราท่านก็นจะจะต้องเล่าเล่าให้เราฟังด้วยความทุกข์ยากลําลบากเหมือนกันเสียสละตั้งอกตั้งใจทําพระับประคองด้วยสิ่งทียะเวลาที่น่านะและก็ทําแบบไม่ถอยตั้งสติตั้งสัมผัสัญญาตั้งวิริยะอุตสาห์ความอดความทนต้องเป็นพื้นเป็นพืช เรามองเห็นคุณของธรรมจริงๆสิ่งเหล่านี้ไม่เหลือวิสัยนะไม่เหลือวิสัยเหมือนอยา่างพวกเราถ้าหากเราไม่ตั้งสัจจ์มัดตัวเราเนี่ยมัดจิตมัดใจของเราเราเคยปล่อยตามเนื้อตามตามตามตามจิตจิตใจของเราเนี่ยเราจะไม่มาอดทนอยู่อย่างนี้ไม่ได้ด้วยที่เรามีสัจจ์เราสงมารถมาอยู่ได้ใช่ไเราอยู่ได้เราตั้งใจเด็ดขาดจริงจังด้วยสัจจ์เนี่ย ตอดทั้งคืนเน่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆทําใจของเราใ ห, ให้ใหญ่เท่ากับทั้งคืนเนี่ยมันเล็กน้อยจริงๆแค่ในสติตทั้งคืนเนี่ยแป๊บเดียวเป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆแตถถ่ถ้าเราไม่ตั้งพักอ่อนปวกเปียกตั้งแต่ตอนหัวคำ่ำโอ้ไม่ถึงห้านาทีนะไปแล้วไม่ถึงหานาทีไปแล้ ว, น, ลวนี่เราพูดถึงการทําใจ ของเราให้สงบระงับอะไรสงบระงับตัณหาสงบระงับเราภาวนานและใจเราเราไม่สงบเพราะอะไรเพราะพลังของตัณหามันไม่สงบไม่ใช่อยู่ๆแล้วก็จิตมันดีนดดิ้นไปตามเรื่องของมันมันมีสิ่งพาดีดพาดิน้นตัณหานี่แหละความร่านไปของใจความทะเยอทะยานของใจความปรุงไปของใจนี่แหละความขับเคลื่อนไปของมันแล้วแต่เราจะว่าคือมันไม่คงที่มันไม่คงทน แต่มันมีคุณสมบัติติดมาด้วยนี่นสําคัญที่สุดคุณสมบัติก็คือสติธรรมสัมผัจัญญธรรมจากนั้นแล้วสิ่งที่สนับสนุนเข้ามาวิริยะธรรมขันติธรรมความอดความทนความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามสมาธิธรรมปัญญาธรรมตราบใดที่เราภาวนาและสติของเรากำหนดจดจอด่อจิตของเราอยู่นิ่งสว่างรอยอยู่ในนั้นเราลองมาสํารวจดูสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในนั้นทั้งหมด อยู่ในนั้นทั้งหมดแต่ถ้าตราบใดจิตของท่านมาอยู่นะั้นเผลอหลงไปแล้วหลงไปสิ่งอะไรไม่เหลือสักตัวเลยนั่นก็หลุดไปหายไปอันนี้ก็หลุดไปหายไป น, นันก็หลุดไปหายไปมันเป็นคุณธรรมที่รวมกันประกอบให้เกิดคุณสมบัติในใจของเราอย่างแท้จริงเรื่องเหล่านี้นะเราจะเอาอารมณ์ของสมมถะพาวนาใจสงบสงบอย่างเดียวท่าเรียกว่าสมถะสงบด้วยพิจาราด้วยท่าเรียกว่าวิปัสสนา หรือการเจริญมหาสถิติปัฏฐานเช่นอยางตาเราเห็นรูปเราก็ดูกำหนจดจดจ่อให้กับรูปดูด้วยการพิจารณาด้วยพิจารณารูปรูปนั้นรูปนี้เป็นอย่างั้นเป็นอย่างงี้กำหนดจดจ่อให้รูปเป็นอย่างั้นเป็นอย่างงี้ดูลัในแง่ของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาแบบนี้ถ้าเรียกว่าวิปัสสนาหรือปัญญาพิจารณาในแง่ของปัญญา มหาสิบฐานทั้งหมดเ ป, เป็นองค์ของปัญญาเป็นหลักเป็นการพยายาิจารณาเกิดปัญญาแต่ความสงบก็อยู่ในนั้นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าอารมณ์ของมหาสิบฐานจึงเป็นอารมณ์ครอบเหมือนเหมือนมองกุฎกรรมฐานมงกุฎกรรมฐานมันครอบกรรมฐานหมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะเปรียบรอยเท้าของสัตว์ก็รอยเท้าของช้างใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทุกๆจำพวก หรือทาพูดถึงอารองขอมหาสติปัฏฐานทาไมจึงมีเวทนามีกายมีจิตมีธรรมเพราะอันนี้เป็นช่องทางที่ตัณหามันาพาดผิงเข้ามาตาไปสัมผัสโรคพัดซักไปสัมผัสโรูปม่ไม่ไมกายเนี่ยมันไปสัมผัสบางทีตาไม่ไปเห็นแต่กายมันไปสัมผัสไปสัมผัสปั๊บยินดีเกิดยินร้ายเกิด ยินดีเกิดยินราเกิดจากการที่เราไปสัมผัสรูปเพราะฉะนั้นเราเจริญรูปพิจารณารูปตามพิจารณารูปกายานุปัสสนาสิริปทานตามพิจารณากายในขณะที่เราตามพิจารณากายเราเอาอะไรมาตามพิจารณาเอาใจของเราเนี่ยมาตามพิจารณาตามันอยู่กับกายใจก็อยู่ในนั้นะเรามาตามพิจารณาเวทนาในเมื่อใจเราก็โดดจดจออยู่กับเวทนา เวทนาเขาอยู่ในนั้นใจของเราก็อยู่ในนั้นเน่สงบอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจ่อย้อนมาที่จิตจิตคือผู้รู้ของเราคลุ่จิต จ, จออย่างนั้นมันก็อยู่ในนั้นจะพิจารณากายมันก็เท่ากับเวทนาเท่ากับจิตเท่ากับธรรมแต่หากมันละเอียดไปตามอารมณ์เหล่านั้นมันอยู่มันทํางานร่วมกันกายเวทนาจิตธรรมคาว่าพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมในที่นี้ สิ่งที่ตกผลึกไปในใจของเราทั้งหมดท่านเรียกว่าอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของธรรมเจ่นางนินวรณ์ห้าเนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นธรรมพุทโธงเจ็ด น, 4, นี่ทั้งก็ถือว่าเป็นธรรมอริยสัจสี่นี่ก็ถือว่าเป็นธรรมเป็นอารมณ์ธรรมนะคําว่าอารมณ์ธรรมก็คือเอามาใคร้ครควัวเอามารังพึงรังพันเอามาพิจพิจารณาข้างในนัะ่ะเรามาพิจารณาให้ชัดเจนดูไปให้ง่ายให้เข้าใจให้ชัดเจนก็คือพิจารณา ทุกสมุทัยนี่รอดมัดเนี่ยนี่เป็นเรื่องของมหาศิปเป็นเรื่องของอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี้ก็เป็นเรื่องของธรรมอันนี้คือหลักของการพิจารณาธรรมพิจารณาตามพิจารณากายตามพิจารณาเวทนาตามพิจารณาจิตตามพิจารณาธรรมมันมีธรรมอีกชนิดหนึ่งถ้าเราไม่พิจารณามันเน็มันก็เป็นการเสียหายเหมือนกันหมายถึงผลของธรรมผลของธรรมที่เรา ตั้งใจภาวนาไปแล้วตั้งใจทําไปแล้วเนี่ยมันมีผลปรากฏเช่นอย่างความสงบปรากฏที่ใจของเราเนี่ยความสว่างปรากฏที่ใจของเราแม้แต่ระดับญานนทัศนะเนี่ยถ้าโผล่ขึ้นมากับรบปั๊บยึดปั๊บอะไรโผล่ขึ้นมาปับยึดปั๊บอะไรโผล่ขึ้นมาปั๊บยึดปั๊บเนี่ยผิดทันทีตามหลักปัญญา ท่านสูงท่านว่าท่านว่าไอ้ไออะไรนะวิปัสสนูวิปัสสนุพุกิเลสมันเป็นปัญญาอยู่แต่มันเป็นปัญญาที่มีกิเลสเคลือบอยู่ในนั้นแฝงอยู่ในนั้นเช่นยางเกิดความสว่างขึ้นมาปับยึดไอ้คำว่ายึดนี่มันต้องมีตัวผู้ยึดคําว่าตัวผู้ยึดก็คืออัตตาตัวตวนกระโเผอขึ้นมาการเจริญตามหลักมารยาที่ท่านเห็นให้เห็นสักท่าว่าเห็นหนาะ ได้ยินสักเทวะได้ยินได้เวทนาพิจารณาเวทนาสักเทวะเวทนาไม่มีเราโผล่ถ้าเราโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรเนี่ยโอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดตัวนี้แหละมันละเอียดล้อมากทำไมเร า, ออ า, า, าจะจ่อใจของเราจะกระดดจอจ่ออยู่ตรงนี้ได้ถ้าเราขยับให้เอียดเข้าไปตรงนี้ได้เราทันมันมันเห็นสักเทวะเห็นเห็นสักเทวะเห็น เห็นจ e ับมาดูมาพิจารณาแล้วก็วาเห็นจับมาดูมาพิจารณาแล้วก็วายึดไม่ได้เรามาดูอริยสัจสี่เรายึดไม่ได้นะยึดได้อย่างเดียวยึดมัจยังยึดไม่ได้ทุกยึดไม่ได้ยิ่งสมุทัยยิ่งยึดไม่ได้คือตัณหาตัณหาที่ท่านพูดเอาไว้นะหมายถึงกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาะตัณหาเราตั้งใจจะปฏิบัติเพื่อรู้หน้ารู้ตาของมันเน่ยเราไม่ต้องไปแย่งแยะหรอก ย้อนมาดูความอยากในหัวใจของเรามันแสดงให้ปรากฏมันจะเห็นเห็นความอยากในหัวใจของเราในขณะที่ย้อนมาเห็นแล้วมันกระดับย้อนมาเห็นแล้วมันกระดับย้อนมาเห็นแล้วมกระดับตราบใดที่เราจนจนเชื่องจนชิมจนชํานาและเห็นสักเทวะเห็นความยึดเข้ามาไม่มียึดเข้ามาคือยินดีพลักป่อยไปก็ไม่มี ครับเอาไปก็คือยินร้ายนี่คือที่มาของความโลภกับความโกรธปกติใจของเราของท่านอะ่ะมันไม่มันไม่ชอบสิ่งที่มาขัดขวางในงหัวใจของมันถ้าเป็นลมมาเนี่ยถ้าจะเปรียกกับไ ม, ไม่ต่างอะไรกับดอกอ้อลูไปตามทางเดียวกันหมดมันนึกมันคิดไปยังไงกันรูไปตาทางเดียวกันหมดมีอะไรเพิ่มเพิ่มมาขัดมาขวางปั๊บขัดทันทีดูสิ เสียงที่มันนิ่มนวลที่สุดที่มันกล่อมเราจิตของเราได้ได้ง่ายไายรวดเร็วที่สุดคืออะไรเสียงอ่อนเสียงนิ่มเสียงนวลเนี่ยเสียงอ่อนอิ่มเสียงอ่อนนิ่มเสียงนวลเพราะฉะนั้นดนตรีมันจึงกล่อมใจของคนได้ได้ง่ายมากดนตรีเราดูสิใครไปไ ด, ได้รับอารมณ์เศร้าโศกขึ้นมาเราได้ยินเสียงทอนี้กับแสงลองดูที่เดี๋ยวร้องผมร้องให้ขึ้นม า, ท, าทันที นึกน้นนึกนี่นึกสรารพัดเละเพลงบางอย่างมาพายุใหญ่จองเราก็ตุ้งกระต้งกระตุ้นก็ะติ้งเห็นไหมเพลงบางอย่างเพลงบางอย่างให้เราโมระบึงคิดนึกและลึกย้อนหลังสรารพัดสรารพใจของเรามันชอบสิ่งกล่อมให้อ่อนให้นี้ยมให้น่นมันไม่ชอบสิ่งที่มาขัดขัดปั๊บที่เรียก ว, ว่าปฏิฆะปฏิฆะมื่อขัดมันขัดอ่า ปฏิฆขัดขัดขึ้นมานะโกทะก็เกิดโกทะคือควา ม, กมโกรธโกทะพยาบาทพยาบาทพยาบาทหมายว่ามาตรร้ายปองร้ายแล้วฆ่ า, าพยาบาทเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตามมาจากอะไรจากผลผลของตัณหาในหัวใจเรามาฟังดูพระพุทธเจ้าท่านท่านทรงตั้งชื่อเรียกให้พวกเราได้ศึกษาตามเนี่ยหมือใกล้ เทียงกับของจริงกับความจริงความละเอียดลอที่บังทรงมัญญยักไปดูธรรมทุกบทธรรมะที่บังทรงมัญญยักไว้เนี่ยมีหมดทุกกิจกรรการที่มีอยู่ในใจของเราเป็นเป็นชื่อมีชื่อให้เราเรียกให้เราศึกษาได้ยินได้ฟังหมดฟังดูแต่ว่าอายตนะภายในเนี่ยตั้งหูจุ่มนหายใจอายตนะภายนอกรูปเสียงกิริยทุพเทพธรรมะลม วิญญาณเนี่ยจักขู่วิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณคําว่าวิญญาณหมายความว่าไปปรากฏภาพดับปรากฏภาพดับที่ลงตาได้ว่าเย็บดับเย็บดับตาเห็นรูปเห็นภาพดับหูได้ยินเสียงได้ยินภาพดับที่แสดงว่าจักขู่วิญญาณโสตะวิญญาณคณะวิญญาณวิญญาณหกผัสสะหไอวิญญาณกับผัสสะมันก็มันก็ทบคราวเดียวกันนั่นแหละไอวิญญาณกับผัสสะ แต่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เคยหยุดหยุดนิ่งอยู่เท่าเดิมแค่นั้นมันทําให้เกิดผลเกิดผลดีตามมานะไม่ดีตามมาหรือมันก็สุขตามมาและก็ทุกข์ตามมาอันนี้จะเรียกว่าเวทนาเวทนาเวทนาตัว น, นี้มันเป็นเวทนาที่เรียกว่าเฉลยอารมณ์เฉลยอารมณ์ก็มีสุขเวทนาทุกข์เวทนาและก็ไม่สุขไม่ทุกข์ที่เรียกว่าอัตุขมรสุขเวทนา สิ่งเหล่านี้เป็นหลักที่มีอยู่ในใจของเราผู้ศาพรทรงบรรจักไว้หมดให้พวกเราได้ได้ศึกษาตามได้หมดถ้าเราใช้สติมากำหนดจดจ่อพิจารณาสิ่งเหล่านี้เนี่ยตัวสติมันเป็นตัวปลุกจิตของเราที่ตื่นโรู้อยู่อย่างเดียวให้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่จำเพาะหน้าเรามันไม่ทําให้อํานาจสิ่งเหล่านั้นะมาครอบงาจิตของเราได้นะโดยความตั้งอกตั้งใจกำหนดจดจ่อ แต่เราจะพยายามประคองได้ระยะยาวเท่าไหร่อันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเราสิ่งเหล่านี้มั น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เรามาปรับปรบุงให้เกิดพื้นเพย์จิตใจของเราเพื่อจะฟื้นฟูจิตจากร้ายดีขึ้นให้ตื่นขึ้นในรู้ขึ้นทั้งนั้นเลยเพื่อที่จะมาสงบระงับดับตัณหาในหัวใจทั้งนั้นเวทน า, น า, นานท่านบอกว่าถ้าเวทนายินดีไม่เกิดยินร้าไม่เกิดเห็นสัจทว่าเห็น ได้ยินจักรตะวันได้ยินหมายความว่าตัณหามันไม่เกิดตามหลักปฏิจจสมุปบาทท่านก็พูดเอาไว้เมื่อตัณหาไม่เกิดความอยากไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เกิดที่จะเข้าไปยึดมันก็ไม่เกิดมันเป็นอันเดียวกันเลยแหละมันโดยอัตโนมัติทั้งหมดปุ๊บเดียวทั่วถึงกันหมดมันไม่ต้องมันไล่เรียงลำดับเหมือนอย่างที่เรากาลังพูดอยู่ที่นี้ไม่ได้เรียงลําดับอย่างนี้อุปาทานไม่เกิด พกไม่เกิดแน่ชาติไม่เกิดเออไอพกไม่เกิดชาติไม่เกิดอย่างที่ท่านว่าพระอาหารหันเนี่ยไม่มีหมดพหมดชาติที่จะไปเกิดท่านไม่ไปเกิดได้ยังไงก็นี่แหละภาวะตรงนี้แหละที่ท่านมาทําลายล้างตัณหากันได้ระยะนี้ช่วงนี้ช่วงไหนช่วงที่ว่าตาหูจมูกนิ้วหายใจของเราไปสัมผัสไปสัมผัสสิ่งที่เป็ น, ท, ปนที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นไปสัมผัส ด้วยเหตุที่เราปลุกสติจิตก็าหายตื่นรู้รู้อยู่เนี่ยเห็นอะไรมันสักแต่ว่าเห็นจริงๆเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพระพายะพระพายาเนี่ไปค่าขายสาเภาแตกเรือแตกเกาะแผ่นกระดานลอยไปไปขึ้นไปขึ้นที่ท่าเรือท่าหนึ่งอเสื้อผ้าพอได้หลุดลุล่ยหมดแนะ่ะพอขึ้นไปแล้วก็เปื่อยกายร่อนจันทนระ์ ด้วยความละอายก็ไปหาใบไม้มาเย็บปฏิจจปาตอกันแล้วมาปกมาปิดคนทั้งหลายเห็นเป็นเรื่องแปลกโอ้ยพระอรหันต์พระอรหันต์ยุคใดสมัยใดมันจะเป็นอย่างนี้กันเท่านั้นน่ะมันมุดเราเลยพระอรหันต์พระอรหันต์เอานุ่นมาให้เอานี้มาให้เอาเข้าวเอาน้ำเอานุ้นเอานี่นมาให้นักนักข้าพระพายะน่ยหลงตัวเองกลายเป็นคนพิเศษขึ้นมาแล้วนะ่ะโอ้ยเหลือรอ ถ, ถึงเพื่อนเพื่อนเป็นเทวดาโอ้ยเพื่อนเราเนี่ย โกหกตัวเองแล้วไม่พอไปหาโกหกตรงอื่นลวงตัวเองไม่พออย่าไปหาเรื่องหนจะเรื่องลวงคนอื่นเพื่อนจะก็เลยไปเตือนเพื่อนบอกวเพื่อนจะมาลวงตัวเองไปถึงไหนหลอกลวงตัวเองและไม่พอหลอกลวงคนอื่นอีกเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าบัดแล้วพระองค์ประทับอยู่ที่โน้นที่รียบไปฟังเทศเรี่ไปฟังธรรมของพระองค์พระภัยก็ไปตามที่เทวดาบอกไปก็ไปเห็นพระพุทธเจ้ากําลังบิณฑบาตพอดี ขอฟังเทศขอครั้งแรกพุทธเจ้าเฉยไม่ได้เทศไดขอครั้งครั้งขอฟังครั้งที่สอ ง, รองพระก็เฉยอีกพระพายาดูเหมือนจะมีอะไรดนใจเพราะหลังจากพระพายาดได้บรรลุปเป็นพระราารนะอรหันต์แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเอหิภิกษุไม่มีผ้าลอยมาจิดนะก็เลยถือเพศถือเป็นเพศอย่างไม่ได้แต่ตัวเองเป็นพระอราหันต์แล้วนะ ก็เลยไปหาผ้าไปเขี่ยวตามขยะนี่แหละพอดีบัวยักษ์กมันไปสิงบัวที่ยืนหากินอยู่แถวนั้นมาชนตายพระพัยยะมันก็มีอะไรมาโดนใจเนี่ยข้าพระองค์ทราบไหได้ว่าข้าพระองค์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ ย, ยืนยาวไปสักเท่าไหร่ขอพระองค์อาศัยความเมตตาแสดงตามโปรดข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าอย่างนั้นเธอจงเห็นสักเท่าเห็น ได้ยินสักเทวะได้ยินได้กลิน่นได้รสได้สัมผัสสักเทว่าสักเทว่าพระพายญาติท่านเป็นผู้เป็นผู้มีธรรมถึงที่มาแล้วนะเหลือแต่พูดที่จะมาเขีย่ยให้ท่านั่นเองพระพายญาตเห็นสักเทวะนี้จริงยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดกษษได้ยินสักเทวะได้ยินจริงจริงยินดีไม่เกิดยินร้ายไม่เกิดหมายความว่ากิเลสไม่เกิดมันไม่เกิดเพราอมันดับดับดับดับดับไปหมดแสดงธรรมจบได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ นี่ธรรมะทุกข้อนี้เราเอาพระพายามาเทียบเลยเราจะได้เห็นแบบอย่างที่ชัดเจนมากเรามาเทียบเคียงได้กับการเจริญสมาธิปัฏฐานนี่แหละก็คือกรรมฐานก็คือภาวนานี่เองแต่บางทีครูบายามท่านไม่เรียกชื่อท่านก็แค่เจอคำว่าภาวนาภาวนาภาวนาตามหลักที่แท้จริงท่านท่านท่านมาในหลักของสมาธิปัฏฐานนี่เอง ข้ามาสติปัฏฐานแปลว่าเอาสติเป็นพื้น <c oughs> เป็นปาก <c oughs> เป็นฐานแล้วพูดอย่างนี้เราย้อนมาที่จิตของเราเป็นพื้น <c oughs> เป็นปากเป็นฐานยังไงตั้งใจตั้งสติปลุ ก, กจิตผู้รู้อะไรตื่นรู้อยู่เนาะเอาสติมากํากับผู้รู้ไม่ให้ผู้รู้ของเราอยู่นอกเหนืออำนาจสติจะอยู่ในการกํากับดูแลของสติของเราผู้รู้พวกเราก็จะอยู่อย่างมีระเบียบ ผูรู j j ้เราคือใจของเราจริงใจของเรานี j j inc, ่แหละใจหนึ่งเดียวแสดงโลกนี้ให้ปรากฏกับเราเรามาดูสิทุกสุกเพราะใจทุกทุกก็เพราะใจดีชั่วก็เพราะใจแปดหมสี่พันพระธรรมคันุบบัตขึ้นมาก็เพราะใจนี่แหละอใจที่เรามีหนึ่งเดียวนี่แหละบางทีเราไม่เคยสนใจเราไม่เคยย้อนมาดูมาแรงมาชักมาล้างเลยอะไรเลย แล้วก็ปลายตัวเองโกรโกโสทุกอย่างละบายอยู่นั้นแหละพฤติกรรมที่ไปทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นอะไรยังไงไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องถ้าเราตั้งใจปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ยมันจะล่องมาตรงนี้มันจะเข้าใจดูไปแล้วสว่างหมดโอ้กายกรรมของเรามาจากตรงนี้วายกวจีกรรมมาจากตรงนี้มันผูกพันเกี่ยวกับเรื่องการตั้งใจรักษาศีลและทำให้เรามีความบริสุทธิ์อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ทุกโทษทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะเพิ่มเข้ามาอีกมันก็เกิดไม่ได้มันมีไม่ได้มันมาจากตรงนี้เห็นความสําคัญของการรักษาศีลไปยังท่านจึงพูดเอาไว้ถึงอานิสงเราไปตั้งใจให้ทานร้อยครั้งสู้ตั้งเแต่รักษาศีลหนึ่งครั้งไม่ได้นะตามหลักที่ท่านพูดเอาไว้โอ้ยอะไรต้องตั้งใจอุตส่าห์พยายามตั้งรงทานเราไปเป็นตะวันขึ้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่อะไรถ้าไมอานิสงขนาดนี้ ก็อนนี้สงของการให้ขั้นฐานแค่นั้นแต่พอมาขั้นศีลเนี่ยดูทีว่าให้ทานรอยครั้งสู้รักษาศีลหนึ่งครั้งไม่ได้รักษาศีลอยครั้งสู้ภาวนาหายใจสงบหนึ่งครั้งไม่ได้ภาวนาหายใจได้รับความสงบหนึ่งร้อยครั้งสู้พิจารณาหน้าปัญญาให้เห็นอนนี้จังทุกขังอนัตตาแวบเดียวไม่ได้แวบเดียวเท่านะั้น แท้ที่จริงก็ความตื่นรู้ของจิตของเราเวลาจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแต่ละขณะแต่ขณะแปบ๊บเดียวเท่านั้นเองแปบ๊บเดียวรอดไปหมดขณะจิตที่ท่านตื่นบรรลุรู้ธรรมแปบ๊บเดียวเท่านั้นเลยเคยมืดบอดมาเป็นกับกับเป็นการกันแปบ๊บเดียวสว่างหมดถ้าเราจะอุปมาไปในถ้าถ้าไม่เคยมีใครไปใส่ไฟในนั้นไปไปส่องว้าเปเดียวมีอะไรอย่างนันนั้นเห็นหมดนี่คือในจิตของเรา ในผู้รู้ของเราเนะี่ยมันมีความสำคัญอยู่อย่างนี้ในเมื่อเราได้มาแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บัดมาแล้วเอาความรู้เหล่านี้มาสอนมาบอกมาสอนพวกเราอยู่แล้วและ ว, วันนี้พวกเราก็อาศัยว่ามีพระธรรมของพระพุทธเจ้าฟังแต่ว่ารดพระธรรมรดพระธรรมคำว่ารดพระธรรมมันไม่ใช่ทอทหารสอัมนะไม่ใช่นาพ <laughs> ร, ระธรรม คืออะไรรถพระธรรมคืออะไรพระธรรมเวลามัส่งผลในหัวใจของเราใจของเรามีความสงบนั่นคือรถพระธรรมเข้าถึงแหละใจของเรามีความอ่อนมีความนิ่มมีความเบาสบายมีความปลอดโปร่งไม่หุดอิดไม่ง่นงานไม่แข็งกระ่าอ่อนนิ่มในนั้นมีความสุขมีที่หวังมีที่พึ่งมีที่อุ่นมีอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมด นี่คือสรุปทั้งหมดคือบุญบุญสิ่งวันนี้ถ้าเราจะ้ได้เอียงมันก็คือบุญทั้งนั้นแหละให้ทานก็บุญรักษาศีลก็บุญตั้งใจภาวนาใจได้รักความสงบ ก, ก็คือบุญวันนี้เราทําเราไม่สงบแต่หากเป็นบาปเป็นฐานเป็นบาปเป็นฐานตกเป็นวิบากกรรมขึ้นเชื่อว่าเราทําเหตุเราสร้างเหตุแล้วเนี่ยทำมากทาน้อยจะต้องมีผลตามมา เหตุ uh, ไม่ประสิทธิผลผลไม่ประสิทธิเหตุไม่มีเหตุใดๆที่จะประสิทธิผลไม่มีผลใดๆที่จะประสิทธิเหตุเรามาดูพุทธิยถาท่านแหลมๆของละเอียดขนาดไหนไปยังพระธรรมของพระองค์กินสุปไปที่หลักของอริยศาสตร์ทั้ง4ี่อริยศาสตร์ทั้งสี่สี่อย่างนะสรุบไปแล้วมีเหตุกับผลนะเหตุอันหนึ่งผลตามมาคือกองทุกข์ มันเป็นเหตุที่จะไปเสริมให้เกิดทุกข์เหตุอีกอันหนึ่งดับทุกข์นิโรธมากนิโรธก็มากนิโรธคือความดับเพราะดับได้มันก็เป็นนิโรธอเอาอะไรไปดับเอามากไปดับเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้า8ปดหมนสพันพระธรรมขันเรายุดอะไรไม่ได้สักอย่างยึดได้อย่างเดียวคือมรรคคือข้อปฏิบัติคือทางดําเนินทุกข์สมุทยัยนิโรธ ยึดไม่ได้ทุกก็ยึดไม่ได้อะไรคือทุกกายของเราใจของเราเนี่ยแหละคือกองทุกข์ก้อนทุกข์เรามาดูโดยทั่วไปว่าอะไรคือทุกข์กายของเราต้องดูหนึ่นแหละคือกองกองทุกข์ก้อนทุกข์ใจของเราที่มีกิเลสป น, นเพื่อ น, นี่แหละนี่คือกองทุกข์ท่านจึงให้ถือเป็นเป็นที่สำหรับกำหนดจดจ่อพิิจพิจารณากําหนดทุกข์แต่ให้ดูดูเหตุปัจจัย เพทุกทั้งหมดนี้มันเป็นตัวผลมันมาจะเหตุสมุทยัยสมุทยัยสมุทัยก็คือความดิ้นไปความร่านไปของตัณหาในหัวใจของเราเนะี่ยมันเหมือนกับมันมีตัวมีต้นแท้ที่จริงต้นตอกําเนิดของมันแท้ๆก็คือจากพฤติกรรมที่ไม่ดีของใจนั่นเองไม่มีใครสร้างให้เรารพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างให้เราไม่ได้ทําให้เราพระเจ้าเท่ไหนก็ไม่ได้สร้างไม่ได้ทําให้เราอ่า เราสะสมมาเองกิเลสมันสะสมตัวขอโตมัดของมันมาเองมีแข็งมีกระดา้างมีอะไรตัวไรมีมากมีน้อยแล้วแต่ใครจะชะักจะล้างจะขัดจะกล่าวดักมาได้มากได้น้อยเท่าไหร่ถ้าท่านตั้งประเด็นไป้เชื่อื่นแล้วท่ า, ทาไปหาที่แก้แก้ผิดแก้ไม่ถูกยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดยิ่งแก้ก็ยิ่งมัดตั้งประเด็นมาตรงนี้ปัญหาทุกอย่างท่านแก้คลี่คลายกระจายได้หมดตั้งมาที่ใจของเรา สมุทยัยสมุทยัยเกิดที่ใจของเรามันไปอย่างนี้ทั้งนั้นหละอย่างอื่นเป็นของที่ตามมาเป็นผลหลงพลอยหลงตามมานุนนี่สารพัดไปพิจารณาตามดูเถอะอืท่านจะให้ยึดมั่งมั่งก็คืออะไรสินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาสิ่งเหล่านี้เราเจริญด้วยถือตามด้วยประพฤติตามด้วยปฏิบัติตามไปด้วยจะมีผลมีอณิสงถ้า เราไม่พิจิพิจารณาให้ข้าหลักที่สันเรียกว่าข้อปฏิบัติบางทีเราก็ไม่มีอะไรมาบอกไม่มีอะไรมาเตือนเราก็เดินผิดเนี่ยอันนู้นเกิดขึ้นมาก็ยึดอันนี้เกิดขึ้นมาก็ยึ ด, นนายดบางทีบางคนก็มีออกรู้ออกเห็นนุ่นนี่นิดหน่อยโอ้สวาน่ะยึดเลยโอ้เห็นหน้นงลยยึดละมันผูกพันไปหมดถ้าเราเจริญตามหลักเพื่อช้รงให้สะอาดหมดจดตามหลัก ออมารีประธานอย่างไทยจริงเห็นไหมถ้าเห็นให้สักตะว่าเห็นอย่าให้ตัณหามันแทรกเข้ามาที่ใจของเราเพื่อไม่ให้อัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมาถ้าอัตตาตัวตนโผล่ขึ้นมามีเราโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไร่มันยึดทันทียึดพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าชอบที่ว่าไม่ชอบนั่นคือตัวตัณหาอัตตาตัวตนดูให้เป็นไปตามภาวะที่เท่าที่มันเป็นเท่านั้นแหละพุทธิยถาัก จึงทรตรัสว่าอนัตตาอนัตตาทุกขังไม่อยู่เท่าเดิมอันนี้จังเปลี่ยนไปทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมมีอะไรอยู่เท่าเดิมบ้างไม่มีดูแต่ น, น้ํำใสๆในท้องแม่ของเรานะไม่อยู่เท่าเดิมเจ็ดวันที่หนึ่งเจ็ดวันที่สองเปลี่ยนไปแล้วน้ำใสๆเปลี่ยนไปเป็นน้ําสีน้ำล้างเลือดเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนอไม่เคยอยู่เท่าเดิมนี ความไม่อยู่เท่าเดิมนี่แนหะคือภาวะของมันภาวะแท้ภาวะดั้งเดิมของธรรมาชาติอันนี้พระุทธเจ้าท่านให้ดูอันนี้แหละคือทุกขังทุกข์ขังท่านบอกว่าทุกขั ง, ง, บ, ขงบางทีพวกเรารู้จักแค่ว่าความเจ็บความปวดนั่นแหละคือทุกขังไม่ใช่ความไม่อยู่เท่าเดิมความเปลี่ยนไปด้วยเหตุที่มันเปลี่ยนไปนั่นแหละมันถึงมีเจ็บ ม, มีปวดมีปว่วยมีไข้แต่ถ้าไม่อยู่เท่าเดิมจะอยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นเหมือนพวกเราอยู่ในวัยหนุ่มสาวที่ น่ารักหึงหวงถนอมที่สุดมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปมันไม่อยู่มันอยู่ตามภาวะของมันมันก็เปลี่ยนไปนตามภาวะของมันเปลี่ยนเป็นอนิจจังทั้งทุกขงังทั้งอนิจจ์ดับไม่ได้แปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ธรรมชาติอย่างอื่นในโลกมนุษย์สามารถดับแปลงได้หมดธรรมชาติอนิจจ์กับทุกข์ขันนี้ดับแปลงไม่ได้ถ้าเป็นเราเราต้องดับได้แปลงได้ด้วยเหตุที่ไม่ใช่เรามันจึงเป็นอนัตตาอนัตตา ไปดูในหลังอนัตตลักษณ์สูตที่พุทธิยถาจงตรักปัญถามปัญจวัคคีนนี้คือธรรมะของพุทธเจ้านะมันละเอียดแต่ถ้าเราพยายามทันมาตรงนี้มันจะทําให้เรารู้ทันรู้ทันของธรรมะของพุทธิยานจะทําให้เราได้หลักได้เกณฑ์ได้เข้าใจและไม่มีอะไรที่จะมาหลอกเราได้ง่ายอแต่ถ้าเราล่องลอยติดนี่มิดนี่มิดนุ่นนิมิดนี้โอ้เชื่อง่ายเชื่อง่ายมาก เชื่อคําเล่าลือเชื่อนุ่นเชื่อนี้เชื่ออะไรต่ออะไรสรารพัดถ้าเราปลอยใจเราไม่หล่อเปตามสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าเรามาเจริญตามสิ่งเหล่านี้แล้วมันมักจะย้อนเข้าไปดูเหตุเอ้ยเปล่าๆใช่ถูกหรอกพอเวลาไปเจออะไรปับ๊บมันมักจะย้อนเข้าไปดูเหตุี่ทําจนกลายเป็นจิตกลายเป็นนิสัยและจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเนื้อตื่นตัวรู้สึกวเออสว่างขึ้นมารู้สึกเออรู้สึกเออฉลาดขึ้นมา รู้สึกวโอความทุกข์เพราะเรายึดแท้ๆเราแล้ว เ, เราเห็นแล้วเราก็ว่างด้วยแล้วก็วางพระอาหารท่านทำจนเป็นจิตเป็นนิสัยวางจนเป็นหลักธรรมชาติไม่ซึมซับเข้าไปในอรมณ์เห น, นั้นไปสัมผัสโยตาหูจบูกเรื่องกายใจเขาไปสัมผัสหมดก็เหมือนกันน้ํามันเกลีงอยู่บนใบบัวนะมันไม่ซึมซาบลงในใบบัวท่านอมมาอุปมาเปรียบเทียบ จิตของท่านเห็นทักะว่างได้ยินทักะวางไปสัมผัสทักระว่างสัมผัสทักระวางแปลกเหมือนกันนะทำไมถึงจะเพิ่งเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยเรายิ่งยึดมาเท่าไหร่ยิ่งมันยิ่งทําให้เราเนี่ยหลุดไม่ได้ละไม่ได้ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้ถ้าเราวางขึ้นมาปมั๊บมีผลตอบรับขึ้นมาขั้นไหนประมังสุ ข, ขันประมาณสุขัน ถึงขั้นดิบดีวิเศษวิโสโดยลําดับขั้นจนถึงขั้นประมังสุขขันธ์เด็ดขาดเมื่อย่างรูปเิเจ้าพระสงฆ์สาวกพระรยาสาวกของเราอันนี้มันมีเรื่องละเอียดรอนะเราพูดไปแต่เรื่องเกี่ยวกับข้างในทั้งหมดน่าจะพอนั้นแหละนะเป็นเวลาถึงหนึ่งชั่วโมงแล้วแรกพอสมควรเกี่ยเวลาแล้ววันนี้ชื่อตั้งเมชืตังเมชืตั้งเมแล้วชนะแล้วชนะแล้ว เราชนะแล้วสาทุ ก, กับพวกเราทุกท่านทุกคนนะนี่นมอมรนาอย่างยิ่งกับท่านอาจ า, า, า, ารย์วิทยาธนุสาบไปขามภาลัเหล่านี้โอ้ยเป็นแรงปีแรงปีกว่าจะบรรลุถึงภาวะสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นสิ่งที่น่าปลื้มพิธิยินดีกับพวกเราทุกท่านทุกคน อย่าลืมว่าบุญญาสถานตรงนี้มันมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ยิงย่งใหญ่ดูทิหนึ่งดูทีเป็นพิพิธภัณฑ์ในตัวเลยแหล ะ, ะจึงรณงโมษณากับพวกเราทุกท่านหลังจากนี้ไปแล้วเราพยายามมาใช้สอยเกิดประโยชน์อย่าพากันมาทำสลาให้ก้อรู้เฉยเฉยและไม่พากันมานั่งนอนภาวนารักษาสิหน้าสิแ น, นะมันเจริญสมาธิมันเจริญกรรมฐานตามโอกาสตามตามการ ต, ต, ต, ตามคราวที่รัมีนะ หลวงพ่ออยู่ไกลก็ตามอาจารย์มุทนาสาธุการสาธุมุทนาดกน้านะ ح ح> ครับรัตธรรมที่ทุกท่านได้รับฟังครับหลวงพ่อบุญมีได้โปรดเมตตาเพราะกลับพระธนาราชอาจารย์พระครูนิมิตทวิทยากรได้น้อมถวายทย่จะมาได้ช่วยอาจารย์วิทยาเลยนี่ฮะ อ่ามาเดี๋ยวๆก่อนจะไปซักก่อนเดี๋ยวจะคอยตบวายท่านตอนนี้รับรับไปซักก่อนอ่าครับทุกท่านตั้งใจเป็นนมือนอนสวายกองท่านสา มีปีไมกครูเลยแหละ ว, วันนี้นะแล้วก็ไม่มีพักยกด้วยแล้วก็ไม่มีไหวครูด้วยนะขึ้นมากรใสเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าฟังเป็นถ้าฟังเป็นฟังเข้าใจมันจะขยับเกาไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเรืเรอเราไม่ได้ฟังสนุกเราฟังมีเหตุผลเกาะอยู่ข้างใน อ <c oughs> เอาให้พอนะตั้งแต่รับพรอุทิศส่วนบุญไปเพราะส่วนบุญที่เราได้นี้เป็นสมบัติของเราทั้งหมดออุทิศส่วนบุญที่เรามีแล้วนี่เองด้วยน้ำพักน้ําแรงด้วยทรัพย์ด้วยสติด้วยปัญญาที่เร า, าึษาขวนขวายอดลับอดนอนอื ผลที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราเสียสละทั้งหมดนี่แหละเป็นผลความบุญเป็นสมบัติของเราทั้งหมดอที่สมบัติเหล่านี้แหละให้แก่ผู้มีอุปการะคุณบิาดามารดาปุญญาตาใหญสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่าลืมเทวุทเทวดาที่เขามานมดนาะนร่วมของเราให้ทขาไส่วนด้วยเจ้ากรรมในมีทั้งหลายในโลกให้เราประสบความสุขความเจริญตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้เราจะชุมเรียนในหัวใจของเรา <c oughs> ญาทาวาดิวาหาปูราปริปูเรนติสารังเอวัมิ ว, มวโยตินางเปตานางอุปกปะปติอิทธิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุกสเพรพปูเรนตุสังกปายันโทปนะระโสยะทามนิโชวติระโสยาทาสพัพพดติโยวิวัชันโตสพ ะ, ะโรโควินสัสต มาเตพวตวันตารโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาศิริ ส, สริจามุท่าป จ, จายโนจาตาโรธรรมาวัฒน์เดายยุบนโนสุขังฟ้าลางภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนัชธาโสทีพะวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสัธาโสตถีพวันตตเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัสังฆานุภาเวนะสัธาโสตถีพวันตโตเต